ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องมเมล็ดพันธ์แห่งการพลัดพรากพระกิสาโคตมีเทรีโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่6ตุลาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ วันนี้เราลองมาฟังประวัติของพระอาหารหันต์หญิงรูปหนึ่งเป็นประวัติของออพระกิสาโคตมีเถรีเราลองฟังเนื้อหาดูแล้วกันจริงๆเรื่องนี้พวกเราเองก็คงพอจะยินก็อยู่บ่อยๆออในอดีตชาติของพระกิสาโคตมีเถรีนี้ เคยเกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุทุมุตระ <c oughs> คือพระพุทธเจ้านี้มีหลายพระองค์นะที่ผ่านมาแต่ในในกับหนึ่งอ่ะในในยุคสมัยหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นกับกับนะหมายถึงว่าเป็นช่วงอายุของาศาสนาคราวหนึ่งคราวหนึ่งเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ตอนนี้เนี่ยอดีตชาติของพระกิสาโคตมีเถรีเนี่ยเคยไปเกิดอยู่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้านามว่าปุถุมุตระครั้งนั้นได้เกิดเป็นหญิงอยู่ในตระกูลหนึ่งในกรุงหงสาวดีเมื่อเติบโตรู้เดียงสาแล้วมีคราวหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นได้ฟังธรรมอันประกอบด้วยอริยสัจสี่ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกพระ อ, องค์จะตรัสรู้อริยสัจสี่ทั้งทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าจะเรียกว่าอริย ส, สัจสี่ไหมเท่านั้นเองแต่จะต้องรู้อันนี้นะถ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้อันนี้นี่ไม่มีทางเลยจะไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องรู้อริยสัจสี่หรือว่ารู้มรรคองแปด เนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องรู้เหล่านี้พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยนะอ ะ, อะไรอริยสัจสี่มรรคองแปดพวกชงเจ็ดอะไรพวกเนี้ถึงจะเกิดได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดอริยสัจสี่ไม่เกิดมรรคองแปดไม่เกิดพวกชงเจ็ดพวกนี้นะเพราะฉะนั้น เท่ากับบอกให้รู้ว่าจะเป็นผู้เจ้าได้ต้องรู้เข้าใจหมายถึงว่าเป็นผู้รู้คนแรกนะในในในกัอบนั้นๆะจะมีเฉพาะผู้พุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้หรือว่าเป็นศาสดาส่วนถ้าเป็นพระอรหันตธรรมดาหรือว่าอะไรยังยังรู้ไม่ถึงกำลังศึกษากำลังเรียนรู้ทุกอริยศาสตร์ต่างๆเพื่อที่จะรู้จนชัด ครบองค์ทั้งสี่นะถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ <c oughs> อันนี้นะกปากรเนี่ยได้ฟังธรรมอันประกอบไปด้วยอริ ย, รยรรสัจสี่ที่ไพเราะจับใจอย่างยิ่งนำมาซึ่งสันติสุขแห่งจิตจึงได้ถึงพระองค์เป็นสารณะสารณะหมายถึงที่พึ่ง บ้านหรืออะไรตู้เย็นพัดลมที่พึ่งเอาจิงๆถามมาเยอะแล้วที่พึ่งอะไรอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นบอกว่ า, าจะเอ า, เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือว่าเนี่ย่สมมุติว่าอย่างอย่างพ่อท่านอย่างเงี้ยเราบอกเอาเราจะานับถือพ่อท่านเป็นที่พึ่งของเราอะ่ะ นีพูดแบบภาษาไทยแต่ถ้าในนี้เขาก็ใช้คําว่าสรณะพึ่งอะไรอะ่ะฮะพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายได้หรือเปล่าพึ่งอะไรกะตะกี้บอกแล้วสมมติว่าอย่างเนี้ยบอกว่าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี้ยพึ่งพระพุทธหมายถึงพึ่งอะไรตะกี้เนี่ยก็พูดไปแล้วนะก็บอกไปแล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้อะไร เป็นผู้ตัดสรู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเกิดอริยสัจสี่เกิดมรรคองแปดเกิดอะไรต่างๆเนี่ยเกิดมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จะทำให้พระธรรมหรือคำสอนต่างๆเนี่ยเกิดตามมาแต่พระพุทธเจ้าต้องเกิดก่อนหรือพุทธะเนี่ยแปลว่าอะไรเออเป็นผู้รู้เนี่ยรู้อะไรเออรู้อริยสัจเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราถึงจะรู้ว่าอ๋อที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นสรณะก็หมายถึงเนี่ยพึ่งาการที่พระเจ้าเนี่ยท่าน เ, าเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ตัดสรู้แล้วท่านก็ค่อยเอาพระธรรมเนี่ยมาสอนเราตอนนี้พึ่งพระธรรมแหละพึ่งพึ่งอะไรคําว่าพึ่งพระธรรม เขียนสโลกทำแล้วก็ไปติดไว้ที่หัวนอนก่อนนอนก็กราบไหว้พระธรรมทุกวันอย่างนี้เรียกว่าพึ่งพระธรรมใช่ไหมเออก่อนจะเอามาปฏิบัติเนี่ยมาทำอะไรก่อนจะเอามาปฏิบัติ๋อฟังก่อนถูกต้องพวกเรานี่ตอดยอมเยี่ยมทั้งนั้นเลยเออ ถูกไม่ผิดหรอก<笑><笑>ก็ยังไงก่อนแล้วพระธรรมเนี่ ย, เ, ยเอก็ต้องเอามาทำมาวิจัยใช่ไหมเอามาคิดเอามาตึกตรองเอามาพิจารณาเออแม้พึ่งพระธรรมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ามันมีในตำรับตำราเอามามีในเทปมันมีในม้วนวิดีโอแล้วคุณก็เอามาบูชาเอามากรา่าวไหว้อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าพึ่งพระธรรมใช่ไหมเพราะการจะพึ่งพระธรรมเนี่ยหมายถึงว่า เราเอามาแล้วก็เอามาพิจารณาเอามาศึกษาเนี่ยเอามาเรียนรู้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าพึ่งพระธรรมเพราะนั้นมีจำนวนมากเลยนะวัดต่างๆเนี่ยพระไตรปิฎกฉบับย่อก็ตามหรือฉบับเต็มก็ตามมีแต่ไม่ค่อยมีใครไปดูไม่ค่อยมีใครไปอ่านไม่ค่อยมีใครไปสนใจ นั่นก็เคารพยกก่องอาจจะกราบไหว้พระไตรปิฎกด้วยซ้ำไปแต่ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการพึ่งพระธรรมหมายถึงว่าต้องไปศึกษาไปอ่านดูแล้วก็ค่อยเอามาประพฤติปฏิบัติพอเอามาพึ่เอามาประพฤติปฏิบัตินี่แหละเราเรียกว่าพึ่งพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์จริงๆก็คือผู้ปฏิบัติ ด, ดีหรือปฏิบัติชอบนั่นเอง เันจริงๆเนี่ ย, ยแค่สามคำเนี่ยเราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเข้าใจให้ชัดเจนถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วถึงจะเกิดมากผลถึงจะเกิดการปฏิบัติขึ้นมาแต่ถ้าพึ่งแบบที่ทุกคนทั่วๆไปเนี่ยตอนนี้นะเขาก็ไปสวดมนต์เขาก็ไป อ, อะไรอ่ะกราบไหว้บูชา แต่ปรากฏว่าไม่ไม่จริงไม่ได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงสังคมเมืองไทยเนี่ยนะถ้าคนยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างถูกต้องแท้จริงแล้วโอ้โหไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเหมือนทุกวันนี้หรอกจะอยู่กันเป็นปกติสุขกันนี้มากมายไกลกองเลยนะแต่ว่าเพราะยังเข้าไม่ถึงของจริงก็เลยสภาพมันก็เลยออกมาแบบนี้นะแต่ปรากฏว่า คราวนี้เนี่ยนะอดีตชาติของรากีสาโคตมีเทอรีนี่นางก็ปากฏว่าไปฟังแค่พระพุทธเจ้าองค์ปทุมมุตระเนี่ยแสดงธรรมให้ฟังเท่านั้นน่ะโอ้โหเข้าใจเลยรู้เลยเกิดศรัทธาเรื่มใสก็เลยขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเขาประกาศแบบนี้นี่นะโอ้โหต้องถือว่า กล้ามากเพราะจริงๆแล้วเจ้ารัฐทิหรือศาสนาอื่นเนี่ยจะมีมาก่อนแล้วพอผู้เจ้าเกิดหรือว่าตัดสรู้ขึ้นมาแล้วก็จะมาเผยแร่จะมาสอนคนโอ้ต้องสู้นะต้องดิ้นรนนะเพราะว่าจะต้องอ ะ, อะไร เ, เหมือนกับปราบรัฐทิอะไรอื่นๆเนี่ยให้ได้แล้วถึงจะขึ้นมาได้ เพราะนั้นผู้ที่จะใจกล้าถึงกับประกาศว่าขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันเหมือนกับคุณต้องอะไรนะแผ่นดินจะไหวฟ้าจะสะเทือนเพราะแต่เดิมคุณต้องไม่ใช่พุทธอะ่ะถูกไหมแต่เดิมคุณต้องไม่ใช่พุทธแต่พอคุณมาเข้าใจคุณรู้คุณกล้าประกาศนี้เท่ากับคุณฉีกตัวออกมาเลยนะโอ้ไม่ใช่เรื่อง ง, ง่ายเลยถ้าใครเนี่ยต้องไปปฏิบัติอยู่ ท่ามกลางอะไรอ่ะครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงมิตรสหายรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเขาเขาเขายังเป็นอีกทิเอทิศิอีกอย่างหนึ่งคุณถึงจะรู้ว่าโอโ้ไม่ง่ายเลยดังกว่าเขาจะยอมรับหรือกว่าเขาจะปล่อยให้เราทําได้ตามที่เราอยากจะทําเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเราแตกตา่างจากเขาเนี่ยเราต้องโดนเล่นงานแล้วเขาจะต้องให้เหมือนกับเขา นะโดยสามัญธรรมดาทั่วไปวันอันเนี้ยการประกาศเป็นสารณะเนี่ยนะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเห น, นี่ยวนี่นะจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เสร็จปรากฏว่าพอประกาศอย่างนี้ใช่ไหมในวันนั้นเองพระองค์ทรงยกย่องภิกษุณีรูปหนึ่งให้เป็นเอตทักขะเป็นเลิศในเหล่าภิกษุณีผู้ครองจีวรเก่า เอตัทคะคงจะเข้าใจนะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหนือกว่าคนอื่นเขาเลยพระพุทธเจ้าก็จะยกย่องคนนั้นว่าโอ้คนนี้เลิศยอดกว่าคนอื่นเขาแต่ภาษาบาลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอตัทธะปรากฏว่าพระพุทธเจ้าท่านก็นยกย่องพิษุนีรูปหนึ่งนะว่าเนี่ยเ ย, ยอดเยี่ยมในเรื่องการคลองกีวรเก่า นางได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคุณของภิกษุณีนั้นแล้วก็เกิดปิติเป็นอย่างมากก็ทำศักระต่อพระองค์ณที่ตรงนั้นหมอบกราบลงแทบพระบาทของพระองค์แล้วตั้งจิตกําหนดใจคาว่าตั้งจิตกาหนดใจคืออธิฐานคนเขียนผิดกันบ่อยนะคนชอบเขียนอธิฐาน อ่างทอทงสระอิแล้วก็ฐานจริงๆอาทิตทติมีสระศรีมาอยู่อีกตัวหนึ่งนะอาทิตฐานซึ่งจะแปลว่าเนี่ยการตั้งจิตตั้งใจการกำหนดใจไม่ใช่ตั้งจิตธรรมดาถ้าตั้งจิตธรรมดานี่ก็ทั่วๆไปแต่การอธิฐานเนี่ยคือการตั้งจิตที่เรียกว่ามุ่ง ม, มั่นนะจะทำสิ่งนั้นเนี่ยให้สำเร็จให้ได้ จะไม่ละความเพียรจะไม่ละความพยายามอย่างเงี้ยก็ถึงเรียกว่าอธิษฐานแล้วยิ่งพออธิษฐานขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับสัจวาจาแม้แม้คนนั้นไม่พูดก็ตามคือตั้งขึ้นมาในจิตเนี่ยไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดหรือว่าเป็นภาษาแต่ในจิตคนนั้นเนี่ยคิดขึ้นมาว่าจะทำดีอย่างนั้นอย่างางีอง้อธิษฐานนี่ใช้ในทางที่ดีนะ อธิษฐานว่าจะไปขโมยของเขาให้ได้กรณีเขาไม่เรียกอธิษฐานนะไปทําชั่วไปทําเลวเนี่ยเขไม่ไม่ใช้เขาใช้ในทางที่ดีอในทางกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าพยายามให้ได้แม้ชาตินี้ไม่ได้เนี่ยชาติหน้าก็ยังเอาให้ได้อะไรเลยเนี่ยถึงใช้คําว่าอธิษฐานนะ <c oughs> อันนี้ก็เลยออดีตชาติของบรนาง กิสาโคตมีนี่ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมานะปรารถนาแน่วแน่จะเป็นเอตะทัะเนี่ยที่คองเหมือนเหมือนภิกษุนีที่คองจีวังเก่าเนี่ยให้ได้พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยว่านับจากนี้ไปอีกหนึ่งแสนปีโอ้โหเอไม่ใช่หนึ่งแสนปีอัานจะมาอ่านผิด คือหนึ่งแสนปีแล้วมาบอกโอ้โหเนี่ยคือมันน้อยไป <c oughs> จริงๆแล้วหนึ่งแสนกับคือหนึ่งแสนกับเนี่ยมันยาวนานกว่าหนึ่งแสนปีคนเรานี่สมมติอายุปัจจุบันนี้ ส, สักกี่ปีอายุเฉลียล่ยเฉ ล, ลีย่ยเท่าไหร่เฉลี่ยหมายถึงจนตายอะ่ะไม่ไม่ได้ไปอะไรนะโดยธรรมชาติเนี่ยสักเท่าไหร่ เอาหกหรือเจิปีใช่ไหมอย่างเงี้ยเราเรียกว่าหนึ่งกับของของอายุคนนั้นเนี่ยเราเรียกว่า1กับสมมติว่าอยู่ได้ตั้ง60ปีใช่ไหมหรือเจปีแล้วถึงจะตายเนี่ยเราเรียกว่าเนี่ยกับหนึ่งของของคนนั้นเพราะนั้นตอนนี้แสนกับเนี่ยก็แสน่ว่าเหมือนกับแสนชาติเลยนะไม่ใช่แสนปีถึงบอกว่าแสนปีนี่มันยังน้อยไป แต่แสนชาตินี่โอ้โหมันมากกว่านั้นเยอะเลยเพราะถ้าชาติไหนอายุสักร้อยปีแสนชาติก็โอ้โหเอาร้อยคูณเข้าไปใช่ไมืมเพราะนั้นมั น, ม, นมันไม่ใช่แค่แสนปีนะครนนี้เอาร้อยคูณเข้าไปก็โอ้โหไม่รู้กี่ล้านล้านลาน้ลานปีอะไรนี้นั้นก็ตอนที้พระเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยนับจากนี้ไปหนึ่งแสนกับในยุค ข, ของพระพุทธเจ้า พระนามว่าโคดมเธอจะมีชื่อว่ากิศสาโคตมีจะได้เป็นสาวิกาของพระาศาสดาพระองค์นั้นแล้วเธอจะสมในปรารถนาที่ตั้งใจไว้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามีอนาคตังสยานคือมียานที่ยังรู้ไปในอนาคตนะแม่นยิ่งกว่านอสตาดามุสบอกได้เลยว่าใน อ, อีกแสนกับเนี่ยนะ จะมีผู้เจ้าพราะองค์นั้นเกิดขึ้นแล้วนี่จะไปเป็นลูกศิษย์ของผู้เจ้าพราะองค์นั้นจะมีชื่อว่าอย่า ง, ง, า ง, ง, งนี้นี่จะได้เป็นพระอาหารในยุคนั้นบอกบอกล่วงหน้าไว้เลยนางได้ฟังคําตัดแล้วมีใจยินดีนักหนาบัางเกิดจิตพูดง่ายว่าโอ้โหดีใจใหญ่นะย่างใหญ่หลวงได้บํารุงดูแลพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้น ด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตหมายถึงในในชาตินั้นๆ น, น, นะนะกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วทำให้นางได้เกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพนาว่ากัสสปะอันนี้พระพุทธเจ้านะอย่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่าไปสับสนไปจำเป็นพระมหากัสสปะในในยุคพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคโดมนะอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่มีพนาว่ากัสสปะ ได้เป็นพระคือคือปรากฏว่ามีอยู่ชาติหนึ่งเนี่ยนะพนางกีสาโคตมีเนี่ยก็ได้ไปเกิดอยู่ในพระเจ้าองค์กัสปะได้ไปเป็นพระธิดาองค์ที่ห้าของพระเจ้ากาสีที่ทรงพระนามว่ากิกีซึ่งครองราชอยู่ที่กรุงพระนสีพระองค์ทรงเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ครั้งนั้นนางได้เป็นพระธิดาพระนามว่าธรรมมาครั้นได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วบังเกิดจิตยินดีพอใจที่จะบวชจึงทูลขอต่อพระราชบิดาแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตดังนั้นจึงอาศัยความไม่เกียจคร้านประพฤติพรหมจรรย์มีความสุขเพลิดเพลินยินดีอุปถากพระพุทธเจ้าจนตลอดชีวิตคืนคือในชาติเนี้ย เกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามบัณฑสปะอยากจะบวชได้ฟังธรรมปั๊บอยากจะบวชแต่พระราชบิดาไม่อนุญาตก็เลยไม่ได้บวชในชาตินี้ด้วยผลบุญที่กระทำไว้ดีแล้วด้วยจิตเจตนาที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงในที่สุดแห่งชาติสุดท้ายนั้นนางได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมชื่อของนางคือโคตมี จริงๆชื่อแค่โคตมีนะแต่เพราะมีร่างกายผอมบางผู้คนจึงพากันเรียกว่ากิสาโคตมีคือชื่อจริงๆเนี่ยแค่ชื่อว่าโคตมีเขามาเติมให้ว่ากิสาเพราะกิสาหรือกิสาเนี่ยแปลว่าผอมบาง <laughs> คือโคโคตมีที่ที่ผอมๆ อ, มอะ่ะนะนะก็เลยได้ชื่ อ, อนี้มา นางเกิดอยู่ในตระกูลของเศรษฐีตกยากนะเนี่ยยากจนนะนะในกรุงสาวัตถีแห่งแคว้นโกศลแม้วงตระกูลจะตกต่าแต่นางก็ได้แต่งงานเป็นลูกสะภ้ายของเศรษฐีในพระนคร น, นั้นเองคือยากจนแต่ว่าอะไรนะคนเคยรวยถ้าเดี๋ยวนี้นะคืออันนี้เป็นอดีตเศรษฐีใช่ไหมแล้วก็มาตกยากแต่ในที่สุดก็ได้แต่ง แต่งงานไปกับลูกชายเศรษฐีแต่เพราะมาจากตระกูลยากจนจึงถูกวิดามานดาและเขือญาติทางฝ่ายสามีดูหมินเยียดยามเสมอเสมออันนี้เขาเรียกปัญหาอะไรน ะ, ะแม่ยายแม่ผัวกับลูกสะภ้ยก็ปรากฏว่านาก็โดนดูหมิน ยกเว้นสามีของนางคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ดูหมินนางจึงต้องอยู่อย่างอดทนขมใจตนอย่างยิ่งจนกระทั่งนางได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งนั่นแหละทั้งเด็กและแม่จึงเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งปวงแน่ต้องมีลูกชายนะคนในครอบครัวถึงจะค่อยยกย่องหน่อย ขนาที่อยู่ในวัยน่ารักกำลังวิ่งเล่นได้นั้นเด็กน้อยหมายถึงลูกของ อ, อ, อดีตภาคิสาโคตมีเนี่ยนะขนากกำลังวิ่งเล่นได้นั้นเด็กน้อยก็เพลิดเพลิอนอยู่อย่างมีความสุขกำลังเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูของแม่แต่เปียบประดเุเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูของแม่เปลี่ยบประดุดชีวิตของแม่เองเลยทีเดียว แต่แล้วความตายก็อาศัยอำนาจของตนนำพาเอาชีวิตเด็กน้อยไปทำให้นางกิสาโคตมีผู้เป็นแม่สุดที่จะอัดอั้นตันใจด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงคือปรากฏว่าลูกตายะนะตลอดวันมีหน้าเศร้าหมองมีตาชุ่มอยู่ด้วยน้ำตาถึงกับเสียสติอุ้มสดของลูก นะที่ตายแล้วเที่ยวเดินบนเพอไปทั่วพนกักคอยิ่งน่ารักยิ่งน่าเอ็นดูยิ่งหอบหัวงไม้มากเท่าไหร่พอเวลาต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปนะรักร้อยก็ยิ่งทุกร้อยอรักน้อยก็ทุกน้อยเพราะฉะนั้นปรากฏว่าโอ้โหนี่กาลังเป็นที่น่ารักมากนะพนัก เ, เนี่ยนางกีสาโคตมีนี่ก็เลย อะไรเสียสติเลยเพราะลูกตายนะอุ้มศพเที่ยวเดินเพอพูดไปนะว่าช่วยให้ยารักษาลูกชายข้าด้วยเถิดคือยอมรับไม่ได้ว่าลูกเนี่ยตายแล้วเที่ยวอุ้มศพลูกชายเนี่ยไปหาคนน้นหาคนนี้บอกว่าช่วยช่วยช่ว ย, วยรักษาลูกให้หน่อยกระทั่งมีบุรุษผู้หนึ่งพบเห็นนางแล้วเกิดจิตเมตตาสงสารจึงพานางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นหมอรักษาโรคชั้นเยี่ยมหมายความว่าไง αι? ทำไมถึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาโรคชั้นเยี่ยมจริงจิงพระพุทธเจ้าท่านเรียกตัวเองด้วยว่าท่านเนี่ยเป็นหมอรักษาโรคชั้นเยี่ยมหมายความว่าไง อ, อ่หมายถึงโ ร, โรคกิเลสนะหมายถึงโรคที่เกี่ยวกับทางจิตเนี่ยที่ทำให้ จิตวิญญาณมันเสียมันไม่ดีเนี่ยท่านเป็นหมอผ่าตัดชั้นเยี่ยมมีมีดที่คมกิบที่สามารถที่จะแบบว่าแม่นะทั้งเชือดทั้งเฉือนกิเลสหลุดออกไปเป็นกระบี่กระบี่ได้อย่างง่ายได้ก็เลยมีคนก็พามาใช่ไหมเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพั ก, พกนางได้ทูลขอกับพระพุทธองค์ว่า ขอพระ อ, องค์ได้โปรดประทานยารักษาให้บุตรน้อยฟื้นกลับคืนขึ้นมาด้วยเถิดพระศาสดาผู้ทรงฉลาดในกุศโลบายทรงเห็นในอุปนิสัยแห่งความเป็นอาริยชนของนางกิงตรัสว่าคือพูะเจ้าเนี่ยท่านจะมีบอกแล้วท่านจะมียานอย่างรู้นะแค่เห็นโง่แห้งฝุนเท่านั้นเองรู้แล้วคนนี้จะมีโอกาสบารรลุได้ไหมคนนี้ไม่สอนนะ <c oughs> หมายถึงว่าคนไหนที่ไม่มีไม่มีทางเนี่ยนะผู้เจ้าไม่สอนจริงๆนะคนไหนที่ท่านเอเห็นแล้วว่าคนนี้นี่บอกสอนไม่ได้ท่านไม่สอนไม่พูดด้วยเลยบางทีเพราะหลายคนบางทีเข้าใจผิดว่าผู้เจ้านี่แหมเจอใครเมตตาสอนอะไรไปหมดไม่จริงอ่ะเพราะบางคนนี่มาคุยเลยนะมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้มาถามผู้เจ้าอย่างัยงี้ผู้เจ้าไม่พูดเลยแม้แต่คําเดียวไม่ตอบด้วยเลย หันถึงให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ได้หมายความว่าผู้เจ้าสอนทุกคนวันท่านจะสอนคนที่พูดง่ายว่าศรัทธาหรือถ้ายังไม่ศรัทธาก็ตามแต่ท่านรู้ว่าคนคนนี้สามารถที่จะสอนได้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ท่านถึงจะสอนส่วนบรรลุธรรมถึงขั้นไหนนี่แล้วแต่นะวันขราวนี้ก็เหมือนกันผู้เจ้าท่านเห็นว่าเออคนนี้ มีแววเป็นอริยะได้อริยะบุคคลได้เพราะนั้นผู้เจ้าท่านก็เลยโปรดนะท่านก็ตรัสว่าอย่างนี้เถิดหากในเรือนหลังใดไม่เคยมีคนตายเลยเธอจงขอเอามะร็งพันผักกาดจากเรือนหลังนั้นมาอันนี้เราจะได้ยินบ่อยละเรื่องนี้ น, นก็บอกอคือมาให้ผู้เจ้ารักษาใช่ไหมบอกขอยาจากคุพผู้เจ้าผู้เจ้าบอกอตกลงถ้างั้นไปบ้านหลังไหนก็ได้ บ้านหลังที่ไม่มีใครเคยตายเลยนะพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายพี่น้องไม่ตายหรือใครอะ่ะไม่เคยตายเลยในในคือญาติทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครเคยตายเลยนั่นแหละก็ขอมเมล็ดพันธุ์ปกาจากบ้านหลังนั้นมานางกิสาโคตมีดีใจยิ่งนักพอคิดว่าเออมีทางช่วยลูกได้ละเพรา ะ, ะนั้นก็รีบอุ้มศพของลูกชายตะเวนไปทั่วเที่ยวหาไปตลอดกรุงสาวัตถี ถึงเรือนหลังใดนางก็เอ่ยปากขอว่าพระศาสดาทรงให้ข้ามาขอมเมล็ดผักกาดเพื่อเอาไปทายาให้ลูกชายของข้าถ้าเรือนของท่านไม่เคยมีใครตายเลยโปรดให้มเมล็ดผักกาดแก่ข้าด้วยเถิดแต่ไม่ว่าจะเรือนหลังใดก็ตามบ้างก็บิดาบ้างก็มารดาบ้างก็บุตรชายนะบ้างก็พี่บ้างก็น้องบ้างก็เครือญาต บ้างก็มิรสหายเคยตายมาแล้วทั้งนั้นไม่มีหลังใดเลยที่ไม่เคยไม่มีคนตายล้วนแล้วแต่มีการพลัดพรากด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในที่สุดนะคือเที่ยวหาไปจนโอ้โหกี่หลังกี่หลังกี่หลังทั้งพระนครละหมดละในที่สุดก็ไม่มีเลยแม้แต่หลังเดียว นางจึงได้สติกับคืนมานะคิดคิดคิดขึ้นมานะเราไม่มีวันจะหามาเดผักกาดจากบ้านหลังใดได้เลยเพราะทุกครอบครัวย่อมต้องมีคนตายมาแล้วทั้งสิ้นนางจึงเกิดปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะสแสวงหามาเดพันผักกาดนั้นพอกันทีสาหรับมาเดผักกาด ที่แท้พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์เราด้วยหวังดีนั่นเองคือเรียกว่าหาไป ถ, ถึงที่สุดละจนหมดความหวังแนะจริงๆมีความหวังจนกระทั่งหมดความหวังนะว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยคือคือเห็นได้ด้วยตัวเองแทนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนะอย่างอย่างอย่างบางทีเราเนี่ยชอบไปพูดให้เคือญาติของคนที่ตายแล้วอะ่ะเราชอบพูดว่าเออความตายมันก็เรื่องธรรมดานะ กายกายก็ตายมีตายทั้งนั้นแหละก็เหมือนกันอย่างเงี้ยคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเขาก็รู้ทําไมเขาจะไม่รู้แต่มันมันรู้โดยที่อะไรมันรู้ได้โดยที่มันมันแก้อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอะไรไม่ได้เพราะจริงๆจิตจริงๆมันไม่ยอมรับอะรู้นะว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่จิตมันไม่ยอมรับความเป็นจริงนั้นจิตของคนที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงเนี่ยมันจะผลักเหตุผลหรือว่าผลักความจริงนั้นออกไป พราะใจจริงๆคือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่อยากจะให้เป็นอย่างที่ใจตัวเองอยากจะเป็นคือเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยลูกตายแล้วแต่ยังไม่ยอมรับว่าลูกเนี่ยตายแล้วใช่ไหมใจของตัวเองเนี่ยคือยังคิดอยู่แต่ว่าให้ลูกอยู่ให้ลูกอยู่ให้ลูกอยู่ไม่ยอมให้ลูกตายเพราะวิธีแก่จิตของคนคนนี้ก็คือต้องให้เขายอมรับความจริงให้ได้ว่าลูกตายแล้ว